พูดกับพระเมื่อวันเข้าพรรษาวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช 2,548 ท่านกฏิรานุเถระและท่านพระผู้บวชใหม่คือท่านพระนาวกะทุกรูปวันนี้เป็นวันสำคัญ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 ใ น, นวันสําคัญประเภทนี้ก็จะมีคำาบูชาลงท้ายเช่นที่สําคัญที่สุดเป็นหลักก็คันวันวิสาขาบูชาอันนี้เป็นหลักมาแต่เดิมแต่เดิมก็มีวันเดียวเท่านั้นคือวิสาขาบูชาอยู่ที่องค์พระพุทธเจ้าเลยวันประสูตรสัตยรู้และบ ร, ริณิพานต่อมาก็มีนักปราชญ์ที่ท่านเห็นว่าเหตุการณ์อื่นก็สําคัญแม้จะน้อยกว่าก็ควรจะมีพิธีบูชา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 ฤดูฝนภาษาบาลีเรียกว่าวัฏะเป็นสันสกฤตมาเป็นไทยก็กลายเป็นพรรษาพรรษาก็คือวัฏะนั่นเองพันสาก็แปลว่าฤดูฝนให้อยู่ประจําที่ในฤดูฝนก็เรียกสัส้นๆว่าจำพรรษาจำพรรษาก็คืออยู่ประจําที่ในฤดูฝนมาจากพุทธบัญญัติเมื่อพระสงฆ์ถือปฏิบัติตามพระวินัยนี้เมื่อถึงวันนี้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 ผิดแม้แต่ธรรมะไปเลยอธิฐานในนี้คนไทยก็กลายเป็นขอโน่นขอนี่จนจะต้องล้อว่าของพระในอธิษฐานเพื่อจะทำแต่ของชาวบ้านคนไทยทั่วไปกลายเป็นอธิษฐานเพื่อจะได้ของพระไม่มีอธิษฐานเพื่อจะได้อธิฐานเพื่อจะทำหมายความตั้งใจว่าจะทำอะไรคิดว่าจะทำแน่ลงไปแล้วก็อธิษฐานจิตพุทธศาสนาเนี่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 ต่อมาก็ในสวนนั้นน่ะมีกุฏิที่อยู่มีอาคารก่อสร้างเป็นหลังๆอาคารที่ก่อสร้างเป็นหลังๆนั่นแหละเรียกว่าวิหารนะีคือที่อยู่ซึ่งอยู่ในอารามอีกทีหนึ่งนี่ตอนแรกก็เป็นที่อยู่แบบเป็นหลังเล็กๆๆต่อมาก็เรียกรวมหมู่วิหารนั้นก็เรียกรวมกันทีเดียวว่าวิหาร คำว่าวิหารก็กลายเป็นสมหหานามคล้ายๆ c o l l คอ t i v e n o ฟนาวเป็นชื่อรวมไปตอนนี้ก็เลยกลายไปว่ากุฏิทั้งหมดอาคารทั้งหมดก็เลยรวมเป็นทั้งวัดน่แหละเรียกว่าวิหารนี่คือจะเรียกว่าวิวัฒนาการก็ได้ทีนี้อีกศัพท์หนึ่งคำว่าวิหารเนี่ยถ้าใช้ศัพท์ภาษาบาลีเนี่ยวิหารก็ประที่อยู่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 และปัจจุบันนี้ก็เลยมานิยมก็เป็นยุคสมัยบางครั้งก็จะนิยมใช้ว่าอิมัสวิงวุยหาเรและตอนนี้มานิยมใช้อิมัสมิงอาวาเสก็จะใช้คำไหนก็ใช้ได้นก็ให้รู้ความเป็นมาอย่างนี้รวมความก็คือว่าเรามากำหนดใจแล้วก็เลยมาทำเป็นกิจกรรมของส่วนรวมเพราะเราอยู่กันเป็นชุมชนเป็นสงศ์ถ้าทาเป็นกิจกรรมส่วนรวมก็เลยมาประชุมกัน กล่าวเป็นถ้อยคำออกมาพร้อมๆกันว่าเราซึ่งอยู่ในชุมชนนี้มาตกลงกันว่าทุกองที่อยู่ในชุมชนนี้เป็นสมาชิกเนี่ยจะอยู่ประจำที่วัดนี้ตลอดสามเดือนสามเดือนก็เริ่มแรมหนึ่งค่ำเดือนแปคือของพระนี่เริ่มเดือนนี้ท่านใช้แรมหนึ่งคแล้วพอไปถึงวันเพ็ญ น, นี้ถือเป็นสุดเดือน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 นี่ขึ้นวันใหม่แล้วนะวันขึ้นสิบห้าคำก็จบไปนั้นก่อนที่จะขึ้นแรมหนึ่งคำก่อนพระอาทิตย์ขึ้นสิ้นสุดวันขึ้นสิบห้าคำเนี่ยก็ยังถือว่ายังไปไหรไม่ได้ต้องจําไว้ด้วยเมาาื่ั้นเราเดี๋ยวขาดพรรษาอีกแต่ท่านก็มีอีกท่านบอกอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดไม่ต้องไปจํท่านบอกว่าถ้ามีธุระก็ให้ออกไปเลยก่อนเจดวันออกพรรษา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 ก็ไปสิ้นสุดเอาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองก็หมายความว่าแรมหนึ่งค่ำเดือน8ดถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นวัษสงฤดูฝนเอาแล้วทําไมให้จํารรษาแค่สามเดือนท่านให้จำพรรษาสามเดือนแล้วอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือนเตรียมตัวพระสมัยก่อนก็ไม่อยู่ประจําที่พอหมดฤดูฝนแล้วก็ออกจาดอีกต่อ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 เป็นจีวรหักการเป็นเวลาสำหรับแสวงหาและทำจีวรก็เพื่อง่ายก็คือเตรียมจีวรสำหรับไปจาริกใหม่เวลาไปจาริกก็จะได้ไม่ต้องกังวล น, นั้นก็เลยมีเวลาหนึ่งเดือนขึ้นมานี่แล้วก็มีพุทธบัญญัติมาทำให้ได้ผลหนักแน่นขึ้นอีกก็เลยมีการทอดกะถิน่นทอดกะถิตนเป็นเรื่องของโยมที่มาอุปถมัมภะของพระก็คือการ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 แล้วก็ทำจีวรของตัวเองแล้วก็พอผ่านการเวลานี้ไปแล้วก็ออกจาริกเกินไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรทราบไว้โดยย่อจะเห็นว่าในตอนที่จะเข้าพรรษาพระก็มีกิจที่จะต้องเตรียมการต่างๆเช่นพกุฏิเศนาสนะที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆก็ต้องเตรียมญาติโยมซึ่งมีความ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 อันนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่าญาติโยมเมาปรถมกลายเป็นประเพณีทําบุญเนื่องในวันเข้าพรรษานี่แหละที่อย่างที่เมื่อวานซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่มีในพระวินัยเป็นเรื่องภาระของพระสงฆ์เองแต่ว่าญาติโยมมาอุปถมอย่างนี้เรียกว่างานบุญที่เนื่องจากพระวินัยสําหรับพระสงฆ์อีกทีหนึ่ง น, นี่ก็ให้ทราบกันไว้ก็แปลว่า น, นี่ก็เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาตามพระวินัยบัญญัติมี เมื่อเป็นวินัยบัญญัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระวินัยก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็เราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องหนึ่งการเวลาการเวลาก็บอกแล้วว่าเริ่มแลมหนึ่งคำวันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบอแล้วก็หมายถึงว่าสิ้นสุดราตรีของขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบอ็ดนั้นลุ่งสว่างรับอรุณ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 จะออกไปไหนก็เช่นเดียวกันก็ไปออกไปต้องให้อารุณแล้วก่อนถ้าไม่อารุณก่อนก็ถือเคร่งคัดก็เป็นขาดพรรษาเป็นกันอันนั้นก็สำคัญอั น, นี้เมื่ออยู่ประจำที่ตลอดสมเดือนไม่ไปค้างแรมที่ไหนก็มียกเว้นให้อีกถ้ามีธุระจำเป็นเช่นว่าโยมพ่อโยมแม่ป่วยอาจจะอยู่ไกลต่างจังหวัดหรือ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 แผลงเป็นไทยต่อเป็นดอเป็นสัปดาห์กลันที่ตัวหอซะนี้บาลีครับเส้นสัตตาหะกรรณิยะสิ่งที่ต้องกระทําสัตตาหะในเวลาเจดวันก็วรวมเรียกว่าสัตตาหะกรรณิยะก็คือกิจหรือสิ่งที่หรือเรื่องที่จะพึงกระทําให้เสร็จในเจดวันก็ถ้ามีเรื่องอย่างที่ว่าเช่นอุปชาป่วยไปยกิจนิ ม, มนต์สําคัญก็เลยเรียกกันว่าทําสัตตาหะไป <c oughs> ก็คือ ส, <c oughs> สัตตาหะกรณียะเรียกให้สั้นลงไปมาให้ทานภายในเจ็ดวันนี้ทําให้เสร็จในเจ็วันท่านบอกให้กลับมาก่อนแล้วสัตตาไปใหม่ก็ทําเป็นช่วงๆไปเช่นอุบัตชาท่านอาจจะป่วยเรื้อรังอย่างนี้เป็นต้นก็ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องพิเศษยกเว้นขึ้นมาแต่ก็มีอีกบอกว่าถ้าเกิดวัดถูกน้ําท่วมใหญ่อย่างนี้เป็นต้นท่วมทั้งวัดอยู่ไม่ได้ทําไง นี่ท่านก็ยกเว้นบอกว่าเป็นอันว่าให้ไปได้เลยก็แปลว่าขาดภรษาแต่ว่าไม่เป็นอัปบติเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจพูดเท็จก็เป็นเรื่องรายละเอียดอันนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้รายละเอียดมากนะักนี้นอกจากการเวลาก็ต้องรู้สถานที่หนึ่งก็จำํำรรษาก็ต้องรู้เรื่องเวลาธรรมดาทีนี้จํำภรษาที่ไหนก็ต้องรู้เกี่ยวกับสถานที่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 แต่ประชาชนจะให้ความสําคัญมากเพราะถือเรื่องบาป บ, บุญเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ก็พอเข้าเขตวัดนี่เขาก็จะให้ความสําคัญเช่นเรื่องการใส่รองเท้าถอดรองเท้าแม้แต่เรื่องการที่ว่าจะมีสายติดไปกับรองเท้าอะไรเงี้ยนะกลัวมากปีหนึ่งก็ต้องเอาสายมาชดใช้ถวายวัดเกิดประเพณีก่อเจดีสายอะไรเงี้ยชาวบ้านก็ถือมากถือเป็นเรื่องสําคัญนี่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 ธรรมชาติมันไม่มีเรามาจัดทำรูปร่างงนี้ใช้เพื่อประโยชน์อย่างนี้เราก็เรียกชื่ออย่างนี้แล้วก็หมายรู้กันนอย่างนี้เรียกว่าสมตสมติสมมติแปลว่าอะไรสมมติมาจากสังบวกมติมติแปลว่ามติการอยอมรับการรับรู้ข้อตกลงและสังไปร่วมกันสมมติก็แปลว่ามตติร่วมกันหรือข้อตกลงหรือการหมายรู้ร่วมกันยอมรับร่วมกัน ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลก็เป็นความฉลาดของมนุษย์การที่มีสมมติก็คือเป็นที่มาของอริยธรรมเลยถ้ามนุษย์ไม่มีสมมติแล้วความเจริญของโลกเกิดไม่ได้มนุษย์เนี่ยรู้จักสมมติจึงทำให้เกิดความเจริญต่างๆในวัฒนธรรมอริยธรรมขึ้นมาดัะนั้นสมมตินี่สำคัญอย่างยิ่งเอาไปว่าสมมติี้แปลว่ายอมรับร่วมกันตกลงกัน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 ทำไงจะให้มันประชุมกันได้เรียบร้อยมานั่งไปที่เป็นทางทำกิจกรรมได้สะดวกก็มีการขนอาสง์มาจัดเข้าที่จะนั่งประชุมแบบไหนจัดเป็นแบบนั้นและจัดพรมตั้งอาสนะอะไรทั้งหมดนี้เียว่าเป็นคำเดิมความหมายเดิมคําคว่าบัญญัติคือคาว่าบัญญัติเนี่ยมาจากภาษาวัตถุก่อนคือภาษาต่งตางๆธรร ม, มะเนี่ยมาจากภาษารูปธรรมก่อนฉันยังมักเียก็คือทางเดินนั่นแหละ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 มีเพื่อการศึกษาทุกคนจะต้องมีจิตสำนึกว่าอ๋อมีไว้สาหรับสุขตัวของเรานะเพื่อความดีงามเพื่อชีวิตที่งอ่องงามไม่ใช่เป็นข้อบังคับนะียบัญญัติในพุทธศาสนาไม่ใช่ข้อบังคับเรามักจะไปแปลกันว่าข้อบังคับพอไปแปลกันข้อบังคับแล้วมันทําให้รู้สึกอึดอัดใช่ท่านไม่ได้ถือเป็นข้อบังคับเป็นข้อฝึกนะศึกขาบทข้อฝึกข้อศึกษาข้อเรียนรู้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 ฝึกมันก็ฝึกด้วยสิกขาเมื่อฝึกมันด้วยสิกขามันก็เป็นชีวิตที่ดีก็เข้าสู่มรรคไปนะเพราะฉะนั้นสีสมาธิปัญญาเอามาฝึกเป็นสิกขาพอเดินไปชีวิตของเราไอ้สีสมาธิปัญญานั้นก็กลายเป็นมรรคไปก็ทําให้สองอย่างนี่มันรับกันอยู่เอาสิกขามาฝึกตัวเราให้เข้ามรรคเดินหน้าไปในมรรคเรื่อยไปแล้วจนกระทั่งว่าสิกขากับมรรคก็อันเดียวกันนั่นแหละพอเราฝึกยังไงมันก็ได้อย่างนั้น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 ห้องใสชื่นบานแล้วเตรียมจิตให้ดีเข้าสู่สมาธิได้แล้วก็ถ้าพิจารณาไปก็เกิดปัญญาแล้วก็ไปสัมผันผู้อื่นอย่างไรอ้าวเป็นเรื่องของชุมชนเราเป็นส่วนร่วมของชุมชนนี้สังขานี้เราจะต้องมาช่วยกันสร้างสารรค์ทำให้ชุมชนนี้ดีงามให้ชุมชนนี้เป็นระเบียบถ้าเรียกว่าทำให้สงนิงงามเพราะฉะนั้นเราก็สวดมนต์ให้ดีให้เป็นระเบียบ แล้วสังฆะของเรามีความพร้อมเพรียงเป็นระเบียบ ง, งดงามนี่ทาเรียกว่าเป็นสังฆโสดพนูเป็นผู้ทําสงให้งามสงก็พลอยดีไปด้วยเราก็คํานึงถึงส่วนรวมไปในตัวเสร็จแล้วเมื่อสงงามนี่สงนี้ก็จะพร้อมเพรียงกันที่จะทําทกิจหน้าที่ต่อประชาชนได้เพราะสง์นี้อยู่เพื่อประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกให้เขามีความสุข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 ตั้งใจดีเราก็สบายใจด้วยเราก็ออกไปบินดาบาดแล้วก็อยู่สํารวมในกายวาจาแล้วก็หมผ้าและแตะไลดีให้ประชาชนเห็นแล้วก็จิตใจผ่องใสเบิกบานเนี่ยเขาเริ่มต้นวันด้วยมงคลนเนี่ยคือที่เราทํากิจกรรมทุกอย่างเนี่ยทั้งฝึกตนเองทั้งเป็นไปเพื่อชุมชนสงฆ์แล้วทั้งเพื่อประโยชน์สุขกับประชาชนต้องทําให้ได้ทั้งสามนะฮะทุกกิจกรรม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 แล้วก็จะเลยงองงามแล้วเป็นผลดีแก่สงแก่ประชา ช, ชนแก่ประเทศชาติไปหมดเลยจงกระทั่งว่าเล่าเรียนศึกษาอะไรคิดแต่ว่าเราฝึกตัวอย่าไปคิดไปข้อบบังคับไปข้อกําหนดเ้บาบังคับเราให้ต้องทํางั้นงี้ถ้าอย่างนั้นจิตใจก็ไม่ชื่นบานอึดอัดแล้วก็ไม่ได้ผลดีเสียสุขภาพจิตแต่ทนึกว่าฝึกโอ้ชีวิตของเรานี่เราต้องฝึกเราจรึงจะดีใครยิ่งฝึกมากยิ่งได้มากใช่ไหมฮะ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 เพื่อนรวมชาติรวมโลกทั้งหมดขอให้เป็นสุขทั่ว ก, กันก็ขออนุโมทนาทุกท่านเอาละครับวันนี้